อาตมาพูดมาถึงเรื่องบาปฉบับนี้เราก็มาพูดเรื่องบาปกันต่อเพราะคนทั้งหลายยังไม่ใช่อรหรันนั้นก็มีบาปกับกุศลนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยและพาทุกข์พาสุขไปตามบารมีที่อาตมาพูดว่ามีบาปกับกุศลนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยนั้นพูดตามสัจจะ แต่หลายคนคงจะสะดุดใจว่าทำไมอาตมาไม่พูดว่ามีบาปกับบุญนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยอาตมาเชื่อว่ามีคนสะดุดใจอยู่มากแน่ว่าอาตมาน่าจะพูดว่ามีบาปกับบุญนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยแทนที่จะพูดว่ามีบาปกับอุศลมันก็น่าสะดุดใช่ไหมอาตมารู้ว่าทำไม คนไทยจึงสะดุดใจในประเด็นนี้เพราะคําว่าบุญคนไทยได้เข้าใจผิดเพี้ยนไปจากปรมาธิษฐะสิ้นแล้วหมายความว่าคําว่าบุญทุกวันนี้คนไทยเข้าใจเป็นคุณงามความดีแค่โลกีเท่านั้นแล้วไม่เป็นคุณงามความดีขั้นโลกุตระกันแล้วชาวพุทธจึงเอาคําว่าบุญมาใช้ผิดหน้าที่ จนกระทั่งบุญกลายเป็นกุศลไปหมดแล้วคนนิยมคําว่าบุญมากกว่ากุศลนั้นเพราะบุญมีคุณค่ายิ่งใหญ่ประเสริฐกว่ากุศลเพราะบุญเป็นตัวนาสู่นิพพานโดยเฉพาะคุณค่าจินท้วนเต็มบริสุทธิ์แต่ทุกวันนี้บุญไม่บริสุทธิ์แล้วเหตุเพราะผู้เป็นชาวพุทธมีไหวพริบ ป, ปฏิภาณในเรื่องคุณค่าของบุญอยู่ในเชื้อสัญชตาตญาณ นับถือคุณค่าของบุญว่าสูงค่ากว่ากุศลมาแต่เดิมฝังลึกในจิตชาพุทธจึงนิยมบุญมากกว่ากุศลทั้งผู้ประพฤติคุณงามความดีทั้งผู้อยากได้คุณงามความดีต่างก็รู้ว่าคุณงามความดีแบบชําระกิเลสได้นั้นเป็นเป็นคุณงามความดีขั้นปรมัตธรรม ย่อมสูงกว่าคุณงามความดีสามัญทั่วๆไปที่เป็นสมมติธรรมที่เป็นสมมติธรรมแน่คนจึงอยากได้คุณงามความดีที่เป็นบุญมากกว่ากุศลการค้าบุญจึงถูกนักค้าผู้รู้มากเอาเปรียบคนทั้งหลายหยิบภาษาคำว่าบุญมาใช้หากินได้ยิ่งกว่าคำว่ากุศล เพราะผู้รู้ภาษาขั้นปรมัติก็มีน้อยคนจนทุกวันนี้คำว่าบุญจึงผิดเพี้ยนไปจากหน้าที่จริงด้วยประการศนี้คำว่าบุญนี้มีหน้าที่ชำระกิเลสในจิตหรือชำระเชื้ออกุสุลจิตที่ต่อเนื่องอยู่ในจิตหรือกำจัดบาปโดยตรงเท่านั้นเมื่อหมดหน้าที่บุญทำงานเสร็จจบบุญก็หมดก็สิ้นไปจากจิต บุญไม่ใช่เครื่องใช้ในทางโลกีบุญไม่ใช่เครื่องอาศัยให้ความสุขโดยเฉพาะสุขที่เป็นสุขคาลิกะเกิดจากกามแต่เป็นเครื่องมือใช้กำจัดความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ที่ยังกิลมทะเกิดจากอัตตาหน้าที่ของบุญกำจัดทุกอริยสัตย์โดยเฉพาะเท่านั้นเมื่อหมดหน้าที่บุญเสร็จจบหน้าที่ผู้นั้นก็หมดบุญบุญก็สิ้นไปจากผู้นั้น บุญก็หมดก็สิ้นไปจากจิตบุญมีหน้าที่ชาระเชื้อได้แก่เชื้อบาปเชื้ออากุศลเชื้อที่เป็นสันดานบาปอยู่ในจิตเมื่อสิ้นเชื้อแล้วบุญเสร็จจบหน้าที่ชาระเชื้อบาปแล้วบุญก็สูญสิ้นไปจากจิตเมื่อบาปหมดสิ้นเชื้อในสันดานเกลี้ยงบุญก็หายไปจากจิตเลยจึงชื่อว่าผู้สิ้นบุญผู้สิ้นบุญสิ้นบาป ภาษาบาลีว่าปุญยะปาปะปริคีโนทั้งบุญทั้งบาปสิ้นไปแล้วศูนพันปริคีโนนี้คือสิ้นไปแล้วศูนพันสันดานหรือสันตานะคือการสืบเนื่องการแผ่การแผ่กิ่งก้านสาขาวงของไม้เลื้อยจํานวนต้นไม้บนสวรรค์การสืบลําดับเชื้อสายการต่อเนื่องของจิต หรือความรู้สึกเชื้อบาปหรือกิเลสมันก็สั่งสมสันดานมันก็แพร่เชือ้อมันก็สั่งสมสันดานของมันมีการสืบเนื่องมีการแผ่กิ่งก้านสาขาสร้างวงของไม้เลื้อยออกไปกว้างออกกว้างออกจำนวนต้นไม้ในวงเล็บบาปพิษบนสวนอันเป็นสวนที่หลอกให้หลงเพลิดเพลินโลเกียธรรม ในวงเล็บนันทวันจึงดกดด่นแต่ขยายเต็มไปทั่วโลกสืบลำดับเชื้อสายเทพประบุตรมานหรือเชื้อกิเลสบาปออกไปไม่หยุดยัง้งนี่คือการต่อเนื่องของจิตหรือความรู้สึกของผู้ตกอยู่ในอวิชชาทั้งหลายสืบสันดานอยู่ดังที่มีให้เห็นในเมืองไทยนี่เองชัดที่สุด ที่สำนักนี้ระดมการสร้างวิมานหลอกโลกกันอยู่อย่างขมีขมันแข็งขันยิ่งนักสันตาณกะนั้นแปลว่าวิมานผู้สืบเชื้อสายลูกหลานใครฟังอาตมาครานี้เห็นว่าวิมานได้จริงก็จะเห็นว่าผู้สืบเชื้อสายผีมานอยู่ที่ไหนและใครบ้างที่เป็นลูกหลานของผีมาน บุญจึงกลายเป็นวิมานที่คนผู้เป็นเจ้าของสันดานชั่วนำไปสร้างหลอกผู้หลงงมงายให้หลงผิดกันในเมืองไทยก็มีให้เห็นกันอยู่มากบางสำนักเห็นชัดยิ่งกว่าตัวช้างสารพัด ท, ที่จะเสกสรรปั้นแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาใช้หลอกคนจนหลงงม ง, ง, งายกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะโลเกียธรรม มันฝังรากลึกในใจคนเป็นสามัญมาแต่ไหนแต่ไรคนปุถุชนสามัญก็หลงรวยหลงหรูหลงใหญ่หลงความดีงามขั้นง่ายๆที่นำมาฉาบหลอกไว้จึงหลงเชื่อตามพลอยหลงไหลหลงติดไปตามหลงเห็นดีสนับสนุนหลงยกย่องหลงส่งเสริมกันดังที่เห็นเห็นกันอยู่ โล ก, กุตรธรรมจึงเข็นไปยากสุดยากอาตมาจึงทราบซึ้งคำตรัสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดๆดอย่างยิ่งที่ว่าการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตถาคตอรหรันตัสมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติจะอุบัติในโลกเป็นของยากธรรมวิในที่เป็นตถาคต ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม19ข้อ2744อัตมาอุสาหะเขียนความเป็นโลกรุตระของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้สุดทราบซึ้งธรรมบทนี้สุดๆว่าธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยาก แต่ก็ไม่เคยท้อหรอกเพราะรู้สึกว่ามันต้องเป็นเช่นนี้เช่นนี้แน่นอนนี่คือสัจจะภาษ า, า, า, าบาลีคือภาษาบันทึกธรรมะภาษาที่บ่งชี้สภาวธรรมแท้ๆซึ่งมีคําที่ระบุภาวะต่างๆของนามธรรมอย่างละเอียดละอออย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดที่อัตมานําแต่ละคํามาประกอบการอธิบายขยายความนี้ อาตมาเอามาใช้เพียงพอประมาณยังมีอีกมากกว่ามากในพจนานุกรมบอกความหมายของคำบาลีมีอีกเยอะแต่อาตมา ก, ก็ไม่อาจจะนำมาขยายให้ละเอียดกว่านี้ได้หมดเพราะดูจะมากเกินไปก็เอาแต่พอเหมาะบางเรื่องบางความบางเรื่องบางความหมายนั้น อาตมาก็ยังไม่มีภูมิพอที่จะรู้รอบและแทงทะลุได้แต่ขนาดนี้อาตมาก็ว่าผู้มีภูมิปัญญาได้ฟังแล้วได้รู้ขึ้นมาแล้วก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระนั้นแท้นั้นจริงแท้วิเศษยอดแค่ไหนและจะเห็นจริงได้ว่าโลกุตระ เสื่อมไปจากสังคมมนุษย์ยุคนี้จริงแค่ไหนดังที่อาตมากำลังจะนำความเป็นสัจจะของคําว่าบุญแค่นี้ก็ยากเย็นแสนเข็นจริงๆทุกวันนี้บุญได้ผิดตัวผิดตนบุญถูกมอมย้อมตัวมาเป็นวิมาณหลอกคนได้ปานชนี้หลอกจนคนเห็นว่าบุญเป็นจำนวนต้นไม้บนสวรรค์หลอกมาตั้งแต่ เอาบุญมาแพร่ปลอมเป็นกิ่งของโลกีมาขยายกิ่งก้านสาขาโลกีออกไปเป็นสาขาใหญ่สาขามากเป็นวงของไม้เลื้อยกว้างเกินกินไกลไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งทีทง่ทั้งทั้งที่บุญมีหน้าที่ดับเชื้อทำให้สิ้นไปกำจัดการสืบลำดับเชื้อสายแท้ๆทำให้ศูนย์พันจริงๆ แต่ถูกหลอกให้หลงผิดเป็นการต่อเชื้อโลกีต่อสันดานแทนที่จะถูกกำจัดโลกีชําระสันดานให้หมดสิ้นจนสะอาดผ่องแผ้วเห็นไม่ว่าเชื้อโรคร้ายเห็นไม่ว่าเชื้อโรคกิเลสร้ายที่ก่อตัวแล้วกลายตัวเป็นอะไรต่ออะไรยาวยืดและเพิ่มวงออกไปเป็นเชื้อเป็นสายอื่นอีกพิสดารคาว่าบุญในโลกทุกวันนี้ ได้หมดสาระแห่งสัจจะของปรมัติไปแล้วสาระแห่งสัจจะของบุญคือมีหน้าที่ชำระกิเลสในจิตสันดานมันหมดสิ้นไปจริงไหมผู้มีปัญญาก็ช่วยอาตมาตรองดูตรวจความจริงของสังคมที่ใช้คาว่าบุญสื่อสารกันดูให้เห็นความจริงเถิดคนเข้าใจได้แต่ว่าบุญนั้นคู่ปรปักกับบาป ฉันใดเยี่ยงเดียวกันกุศลคู่ปรปักกับอกุศลก็ฉันนั้นในยะสำคัญนั้นอยู่ตรงที่คนสามารถปฏิบัติจนบาปจนอกุศลหมดจากจิตตนได้และพระอริยะสามารถปฏิบัติกระทั่งบุญหมดหน้าที่บุญหมดงานบุญสิ้นกรรมบุญสิ้นไปจากตนได้ไม่มีอีกแต่กุศล ไม่ต้องหมดไปจากพระอริยะแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้อรหันที่ยังมีชีวิตส่วนบุญกับบาปนั้นหมดสิ้นไปในอรหันพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดท่านทรงเป็นตถาคตตาแล้วส่วนกุศล น, นั้นไม่ต้องหมดมีไปเถิดที่อาตมาพูดไปว่ามีบาปกับกุศล น, นี่แหละ เป็นเครื่องอาศัยนั้นแทนที่อาตมาจะพูดว่ามีบาปกับบุญนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยผู้ที่สะดุดใจคาพูดของอาตมาข้างต้นนั้นเพราะคนผู้นั้นยังเข้าใจคำว่าบุญกับกุศลไม่ได้ยังรู้ความต่างกันของมันไม่พอชัดๆก็คือยังเข้าใจความเป็นบุญกับกุศลยังไม่เพียงพอพูดให้เป็นวิชาการก็คือยังมิจฉาทิฏฐิในความเป็นบุญอยู่ มิจฉาทิฏฐิอย่างไรก็คือคําว่าบุญนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้งหลายยังเข้าใจว่าบุญหมายถึงคุณงามความดีเหมือนกันกับคําว่ากุศลแต่เป็นแค่คุณงามความดีทางโลกีความเข้าใจยังไม่สัมมาทิฏฐิว่าบุญนั้นไม่ใช่เครื่องอาศัยหรือแดนอาศัยเสพสุขแต่แต่เป็นเครื่องชําระ แต่เป็นเครื่องแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสโดยตรงเท่านั้นใช้ชำระกิเลสเสร็จหรือชำระบาปนั้นเสร็จบาปก็สิ้นไปบุญก็สิ้นไปไม่มีบุญนั้นอีกไม่ต้องใช้เป็นเครื่องชำระอีกเพราะไม่ต้องชำระบาปนั้นอีกกิเลสสิ้นแล้วจึงไม่ต้องอาศัยทั้งบุญทั้งบาปดังนั้น อรหันทุกองจึงเป็นคนที่สิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญาปาปะปาริขีโนแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปอาศัยอยู่ในจิตอีกแต่ทั้งคนทั่วไปและทั้งอรหันแม้พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารต่างก็ยังอาศัยกุศลกันอยู่ทั้งสิ้นสำหรับปุถุชนนั้นไม่ได้อาศัยแม้แต่บุญ เพราะทำบุญยังไม่เป็นเพราะยังไม่รู้คำเพราะยังไม่รู้ความเป็นบุญที่สัมมาทิฏฐิที่อาตมาพูดว่ามีบาปกับบุญนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยก็เผื่ออรหันเพราะเผื่ออรหันถ้าเป็นอรหันแล้วก็จะมีแต่กุศลเท่านั้นเป็นเครื่องอาศัยท่านไม่ต้องอาศัยบุญอีกแล้วเพราะท่านสิ้นบุญแล้วจริง คนทั่วไปที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิทำบุญไม่เป็นจึงไม่มีบุญเป็นเครื่องมือให้อาศัยเสขบุคคลหรือคือผู้เป็นอาเรียชนตั้งแต่โสดาปติมัค <c oughs> ก็จะเริ่มมีบุญเริ่มมีเครื่องมืออาศัยใช้ชำระบาปกำจัดกิเลสได้จริงไปตามลำดับบาปคือกิเลสมีอยู่ต้องรับวิบากทุกข์วิบากที่ไม่เจตนา ก็ยังมีเวรที่อีกฝ่ายหนึ่งจะจองเวรวิบากที่ไม่เจตนาก็ยังมีเวรที่อีกฝ่ายหนึ่งจะจองเวรไหมถ้ายังจองเวรอยู่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่บาปบุญคุณโทษมีมากหลากหลายละเอียดซับซ้อนซ่อนเชิงกันปัญชณีและแวะมาอธิบายเรื่องบาปบุญกุศลกันเสียยาวยืด กลับไปสู่ประเด็นที่ว่ากลับไปสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดค้างอยู่กันต่อซิเรากำลังพูดกันถึงเรื่องเรากำลังพูดกันถึงประเด็นฆ่าสัตว์มากินเป็นบาปผู้กินเนื้อสัตว์ที่เป็นอุทิสมังสะก็เป็นบาปค้างอยู่ก็มาพูดกันต่อพูดไปแล้วว่าถ้าสัตว์ถูกฆ่าเพราะคนนี่แหละจงใจมีเจตนา ในวงเล็บอุทิศะข่ามันให้ตายครบองค์ห้าเนื้อนี้เป็นอุทิศมังสะใครกินมีเชื้อบาปหรือติดบาปในวงเล็บสะปาปะมุลิมปติในวงเล็บสะปาปะมุลิมปติแน่นอนแต่ถ้าเนื้อสัตว์นั้นเป็นปรมัติแต่ถ้าแต่ถ้าเนื้อสัตว์นั้นเป็น ปวัตตมังสะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากินเถอะหากยังจะต้องกินเนื้อสัตว์นั้นอยู่เพราะมันไม่บาปแล้วไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่คนจงใจเจตนาฆ่ามันในองเล็บอุทิศสสัญญจิตจะให้ตายครบองค์ห้าดังกล่าวแล้วปวัตตมังสะคือเนื้อสัตว์ที่มันตายเองไม่ใช่มันตายด้วยฝีมือคนนี้หนึ่ง และอีกหนึ่งคือเนื้อสัตว์ที่เป็นเดนสัตว์มันฆ่ากันเองและมันกินเหลือแล้วมันทิ้งแล้วเป็นเดนสัตว์กินอย่างนี้ก็กินได้ปะวัตตมังสะจึงมีสองอย่า ง, ด, งาาดังที่กล่าวมาแล้วสองอย่างนี้กินแล้วไม่บาปเพราะไม่มีเวรัยกันแล้วสัตว์อื่นเราไม่ได้ไปแย่งมัน เนื้อนี้คือเนื้อบังสุกุลที่เรากินไม่บาปทีนี้มีสัตว์ที่มันตายด้วยอุปทวะเหตุที่คุณเกี่ยวข้องกับอุปทวะเหตุนั้นคือคุณบังเอิญทาให้มันตายโดยคุณไม่มีเจตนาไม่ได้จงใจองค์ห้าของปาณาติบาตก็ไม่มีเลยแล้วจะมีส่วนของบาปไหมถ้าคุณไม่มีสักขอในองค์ห้าของปาณาติบาต คุณเองก็ไม่บาปคุณไม่จองเวรแต่สัตว์ตัวนั้นมันพยาบาทคุณไม่ล่ะเราก็ไม่สามารถรู้ใจสัตว์ได้หรือคุณว่ามันชอบที่ถูกฆ่าถ้ามันจองเวรพยาบาทคุณอยู่คุณก็ต้องสู้กับวิบากทุกนั้นอยู่แต่ถ้ามันไม่จองเวรเอากับคุณมันก็ไม่มีอะไรแกกันอีกซึ่งที่สัตว์ตาย และเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ปลอดก็ปลอดภัยแต่ถ้าสัตว์ตายโดยเรายังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่ากรณีใดจึงยากที่จะไม่มีบาปหรือไม่มีเวนนี่แหละวิบากบาปแม้คุณไม่มีเจตนามันก็วนเป็นหนี้บาปหนี้เวนกันไม่จบง่ายๆสรุปแล้วก็ต้องชําระกิเลสมันเหตุบาป บุญคือการชําระกิเลสให้สะอาดหมดจดไปจากสันดานในวงเล็บสันตานังปุนาติวิโสเทติบุญก็เป็นวิบาบคือเป็นผลผลที่ชําระได้สําเร็จบาปก็ดับนรกก็ดับกิเลสก็ดับแม้สวรรค์ก็ไม่เกิดเพราะกิเลสดับก็คือความสูญของกิเลสเป็นจริงไม่ได้มีภพไม่ได้มีชาติจริงอย่างนี้ เพราะทฤษฎีของพุทธไม่ได้สร้างพบแต่เป็นแต่เป็นทฤษฎีที่กำหนดรู้ในวงเล็บสัญญาโดยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวเหตุในวงเล็บสมุ ท, ทยัยแล้วกำจัดตัวเหตุนี้ให้ดับไปสูญสิ้นไปจริงเมื่อตัวเหตุดับไปสนิทก็เป็นนิโรดนิโรดของพุทธไม่ได้อยู่ที่ นิโรธของพุทธไม่ได้อยู่ในภวังในองเล็บองของภพและไม่ได้สร้างวิมานใดที่เป็นภพใหม่ขึ้นอีกเลยไม่ว่าวิมานนิโรธอันเข้าไปดับดำมืดในองเล็บสุภกินนะฮะอยู่ในภวังไม่ว่าวิมานบุญอันถูกผู้ฉลาดเชโกหลอกให้หลงติดยึดกันตามโรงเรียนในฝันสร้างกันอยู่ซึ่งทั้งซึ่งมีทั้งอภัสรภพ ในวงเล็บพบสัซึ่งมีทั้งอาพัสระพบในวงเล็บพบสว่างใสทั้งมหิดฉัดตะพบในวงเล็บพบแห่งความมากๆหรูหราทั้งใหญ่ทั้งใดนิตในวงเล็บพบแห่งความมากๆหรูหราทั้งใหญ่ทั้งโตทั้งโลกพุทธที่สมาทิธฐิ รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายของสัตว์โอปปปฏิกะเหล่านี้ทั้งนั้นและดับสิน้นความดับของพุทธจึงเป็นสุญญาตาเป็นความศูนย์ที่สิ้นนรกสิ้นสวรรค์สิ้นพบสิ้นชาติสิ้นความเป็นสัตว์สิ้นบุญสิ้นบาปผลที่ดับเหตุสัตว์นรกตายจึงไม่มีสัตว์นรกนั้นไปนรกไหนเลย มันตายสูญสิ้นแล้วที่ลึกซึ้งคือไม่เป็นสวรรค์เพราะเป็นความหมดสิ้นสูญสัตว์ไปจึงไม่เหลืออะไรสัตว์ใดอีกแม้สัตว์สวรรค์นี่คืออปะปปฏิกะที่สัตว์ตายที่ตายแล้วไม่มีซากไม่มีอะไรสืบต่อในองเล็บขาดสันตติ และเป็นการเกิดที่ผุดเกิดทันทีที่เกิดแบบอภินิพตินรกก็ไม่เหลืออยู่สวรรค์ก็ไม่มีอีกซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่สร้างพบสร้างชาติใดแท้ๆเป็นการรู้ชาติของความเป็นสัตว์และเหตุที่ให้เกิดความเป็นสัตว์อย่างแท้จริงเมื่อดับชาติได้สำเร็จจึงเกิดภาวะพิเศษคืออภินิพติชนิดที่มี นิพพานแบบดวงตาเปิดคือจักขุมาปรินิพุโพติถ้าจะเรียกการเกิดก็เป็นการเกิดของนิพพานแท้จริงในวงเล็บอภินิพัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนไว้ในปฏิจจสมุปบาทซึ่งผู้ปฏิบัติที่สัมมาทิฏฐิก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นชาติ5ประเภทในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ก ข้อ7และข้ออื่นๆในเล่มอื่นๆและปฏิบัติจนจบความเป็นชาติ5นี้สมบูรณ์เพราะดับชาติของความเป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในโลกได้จริงถึงขั้นเป็นผู้ไม่มีในองเล็บณโหติได้แท้ในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ43และ และลึกซึ้งสุดๆในเล่ม16นี้ ข, 700, ข้อ7 0 0ข้อพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักฐานไว้ว่าความเป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวในวงเล็บเอกะวิหารีที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมบริบูรณ์โดยพิสดารอันไม่ใช่หมายเอาตัว ต, วตนบุคคลเราเขาที่เป็นส ม, มุติสัจจะเลยสักนิดเดียวยืนยันคำสอนอันวิเศษอยู่จริง ผู้ซึ่งผู้ไม่เข้าใจถึงด้วยปั จ, จตังเวทิตโพวินยูหิจะดาวเอาไม่ได้ในวงเล็บอัตกาวั จ, จลาดังนั้นจบสิ้นบุญแล้วคือไม่ต้องชำระกิเลสของตนอีกเพราะไม่ทุกขเพราะไม่สุขไม่ทุกข์แล้วกิเลสถูกชำระสิ้นสุดอวิชชาสวะแล้ววิบากบุศลก็คือสวรรค์ถ้าผู้ที่ยังมีอุปทานก็ยังมีมิ ก็ยังมิชาทิฐิมีอวิชาอยู่แต่ผู้ที่สมาทิฏฐิแล้วมีวิชาแล้วสมบูรณ์ก็จะสมาทานอยู่ตามฐานานุฐานะวิบากอากุศลก็คือนรกที่เกิดจากอาวิชาอันยังเหลือในอนุัยของแต่ละคนนรกก็คือภาวะที่วิญญาณสัตว์นั้นตกอยู่ในความเสื่อมอยู่ในความตกต่า อยู่ในความชั่วความเลวอยู่ในความทุกข์อยู่ในความมีกิเลสเพิ่มอยู่ในความโง่ในวงเล็บอวิชชาวิญญาณที่อยู่ในภาวะนรกก็คือวิญญาณที่อยู่ในภาวะนรกคือสัตว์นรกวิญญาณที่อยู่ในภาวะนรกคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรัจฉานโยนิสัตสุต สัตสุรกายมารผีสัตว์อบายทั้งหลายนรกนั้นเป็นภาวะที่สัญญาจะต้องพยายามกำหนดรู้แล้วพยายามวิจัยหายเหตุที่มันทําให้เกิดนรกและกําจัดเหตุนั้นให้สิ้นอสวะให้ได้เพราะเพราะปฏิบัติกระทั่งปัญญาปัญญินรีปัญญาภละเพราะ ปฏิบัติกระทั่งปัญญาปัญญิีเพราะปฏิบัติกระทั่งปัญญาปัญญิีสีปัญญาภละธรรมวิจัยสำโพธชงสัมมาทิฐิองค์แห่งมรรคสมบูรณ์ด้วยสัม ม, ป, ม, มปัญญาเพราะปฏิบัติเพราะปฏิบัติตมีมรรคเจริญธรรมวิจัยสำโพธชงสัมมาทิฐิองค์แห่งมรรคเป็นสัมมาปฏิบัติ จึงเจริญเกิดผลกระทั่งเจริญครบองค์ธรรมหคือปัญญาปัญญินรีปัญญาภละในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อส5 8สวรรค์มีสองอย่างสวรรคโลกีกับสวรรคโลกุตระสวรรค์ที่เป็นสวรรคโลกียะก็คือภาวะที่วิญญาณสัตว์นั้นๆเสพในความดีเสพในความเจริญ เสพในความสุขเสพในความไม่ตกต่ำในวงเล็บทางโลกธรรมแต่มีกิเลสเพิ่มโดยไม่รู้สึกเข้าไปถึงว่ายิ่งเสพสวรรค์จิตยิ่งตกผลึกเป็นอนุสัยยิ่งหนาแน่นหนักวิญญาณที่เสพภาวะสวรรคโลกิยะคือสมุติเทพทเท ว, วดาสัตว์สวรรค์ที่ไม่เที่ยงจึงไม่พ้นทุกข์อันเป็นอริยสัตว์สวรรค์ที่เป็นสวรรคโลกุตระ ก็คือภาวะที่วิญญาณสัตว์นั้นสัตว์นั้นที่วิญญาณสัตว์นั้นๆลดละจางคลายกิเลสลงได้ไปตามลำดับไปสู่ความเที่ยงวิมุตต์คือหลุดพ้นจากสวรรค์นรกไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในองเล็บอทุก ข, ขมสุขเข้าสู่ภูมิอุเบกขาแบบโลกุตระในองเล็บเนคข ม, มัสิตาตอุเบกขาเวทนา วิญญาณบรรลุสวรรค์ของโลกุตระนี้คืออุบัติเทพเป็นเทวดาหรือวิญญาณของคนเป็นที่สามารถชําระกิเลสของตนได้ไปตามลําดับจนกว่าจะถึงวิสุทธิเทพเพราะร่างกายที่ตายแตกเพราะร่างกายที่แตกตายไปแล้วหรือแม้จิตที่ยังไปรับวิบาก ต, ต่ออยู่นั้นจะใช้ภาษาเรียกว่าวิญญาณก็ตามวิญญาณหรือจิต อยู่ในสภาพนั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้จึงไม่สามารถทำตนให้เกิดบุญใดๆไ ด, ได้มีแต่รับวิบากที่ตนได้ทำไปแล้วนั้นเท่านั้นและสำหรับสวรรค์ชั้นสูงที่ไม่เป็นทั้งสวรรค์ทั้งนรกใดๆนั้นสิ้นสุขสิ้นทุกข์แล้วเป็นสวรรค์ขั้นวิมุตเป็นภาวะที่วิญญาณนั้นๆได้ดับกิเลสาสวะหมดไปแล้ว เป็นสวรรคโลกุตระชื่อวิสุทธิเทพเป็นเทวดาขั้นพรมที่สิน้นที่สิ้นบุญสิ้นบาปในองเล็บปุญญาปาปะปาริขีโนนั่นคือได้ชำระกิเลสสาสวะไม่เหลือเลยแล้วบุญนั้นเป็นกุศลหรือเป็นความดีแน่นอนเพราะชำระในองเล็บปุนาติกิเลสได้เป็นความดีขั้นโลกุตระถึงขั้นชำระกิเลสได้ขั้นนี้ จึงไม่เป็นความดีงามย่อมเป็นไปไม่ได้แต่กุศลนั้นต่างหากที่ไม่เป็นบุญก็มีทั้งที่เป็นบุญก็มีเมื่อกุศลมีสัมมาทิฏฐิกล่าวคือถ้าความดีหรือกุศลนั้นไม่ถึงขั้นชำระกิเลสในตนได้แม้จะสอนคนอื่นให้เข้าชำระกิเลสได้แต่ตนชำระกิเลสของตนไม่ได้ ก็ไม่ใช่บุญเป็นแค่กุศลความดีที่เป็นกุศลด้วยและเป็นบุญด้วยก็คือความดีที่กําลังทํานั้นสูงถึงขั้นได้ชําระกิเลส ข, ของตนไปด้วยก็ได้ทั้งกุศลได้ทั้งบุญแต่ถ้าเป็นความดีที่ไม่มีการชําระกิเลสเลยแต่ไม่ได้เพิ่มกิเลสก็ไม่มีบุญได้แต่ความดีความจเจริญโลกีเท่านั้น แต่ถ้าเป็นความดีที่ยิ่งเพิ่มกิเลสยิ่งยิ่งขึ้นก็ยิ่งไม่ใช่บุญเลยทว่าเป็นการกระทําความดีที่ได้บาปไปด้วยเพราะได้กิเลสต้องตกนรกบาปนั้นต้องตกนรกการทำความดีโลกีและเป็นสุขอันนี้ก็คือการบํมเรออัตตาการยึดความดีก็เป็นอัตตายิ่งการยึดความไม่ดีก็เป็นอัตตายิ่งแย่ใหญ่เลย ยิ่งการยึดความไม่ดีก็เป็นอัตตาที่ยิ่งแย่ใหญ่ความยังยึดมั่นถือมั่นในความดีและความไม่ดีนั่นเองคืออัตตาผู้อยู่กับอัตตาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นคือผู้มีโูมิถึงขั้นอรหัตตาถ้าสูงสุดก็เรียกว่าอารหันอรหัตตาคือผู้ไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาแล้วว่า ภาวะที่ยึดนั้นคือยึดภาวะที่ยึดนั้นยึดอะไรซึ่งภาวะที่ยึดนั้นเป็นนามธรรมคือกามรสในองเล็บรสกามกับอัตตทัตตรสในวงเล็บรส อ, อัตตาผู้มีลึกลับในความเป็นอัตตาคือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตาแล้วด้วยการเรียนรู้ของจริงที่มีอาการเกิดในจิตจริง เริ่มตั้งแต่ภายนอกที่มีการสัมผัสด้วยภาษาทรูปหกับโคจ ร, รูปหเป็นองค์ประชุมในองเล็บกายภายนอกและฝึกฝนอ่านใจในใจของตนที่มีสัมผัสนั้นๆอยู่มันจะเกิดเป็นวิญญาณแล้วศึกษาวิญญาณ น, นี้ซึ่งต้องรู้ด้วยความเป็นนามรูปนามรูปนี้แหละที่จะเป็นกายให้เราศึกษา ทั้งความเป็นรู ป, ปกายและนามกายที่มีความเป็นสัต ว, แ ว, ตตตว์แล้วเราก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์โอปปปาติกสัตว์ในความเป็นแล้วเราก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์โอปปปาติกะด้วยกายและด้วยสัญญาในองเล็บสัตวะท้าวเวิญญาณทีติเ และชําระกิเลที่มันทำให้เกิดสัตว์ทั้งหลายไปตามลำดับจนกว่าจะสิ้นความเป็นสัตว์การจะพ้นความเป็นสัตว์การจะพ้นความเป็นสัตว์ก็คือพ้นสังโยชน์สิบหรืออนุสัยเจ็ดนั่นเองและต้องสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายและชําระกิเลสไปตามลำดับกระทั่งดับอาสวะหมดสิ้นก็หมดอัตตาในความเป็นสัตววาด9ในองเล็บ พระไตรปิฎกเล่ม2ี่ข้อ228และเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์ซึ่งได้แก่เทวดามารพรนั้นแหละอันเป็นสัตว์ทางจิตได้งเล็บโอปปปฏิกสัตว์และผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาทั้งหมดไม่ลึกลับแล้วสำหรับตนได้ลงเล็บอรหัตตาและดับอัตตา 3, สามสร็จ เป็นอนัตตาได้แท้จึงอาศัยอัตตาที่ปราศจากความเป็นสัตว์นี้อยู่อย่างอยู่ไปอย่างสิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญะปาปปะบริขีโนแล้วสร้างแต่กุศลให้ถึงพร้อมมีพระหุชนะหิตายะผู้หุชนะสุขายะโลกานุกรัรมปายะจากการศึกษาและปฏิบัติ เราจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสัตว์โอปปปฏิกะทิกเสพรสที่เสพ ท, ทั้งรสกามเสพทั้งรสอัตตาก็ขออธิบายไปตามลำดับดังนี้ตั้งใจพิจารณาตามให้คมคแม่นแม่นชัดๆลึกๆึตรงๆจะสาธยายละเอียดขึ้นมากการสัมผัสทางทวารห้าภายนอกแล้วในใจยังมีกิเลสกามเป็นกรรมสุขในองเล็บ ความสุขในกามจงพยายามรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเฉพาะรสที่บำเรอกามโดยเฉพาะเหตุคือกิเลสกามอันเกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกบำเรอกามที่เป็นกรรมสุขแล้วดับเฉพาะส่วนกรรมสุขนี้โดยกาจัดตัวกิเลสกามอันเป็นเหตุแท้ให้ได้ นี่ข้างกามคือไม่ให้มีอันตาฝ่ายกามตามคำสอนของพระศาสดาซึ่งเป็นซึ่งเป็นทั้งที่เริ่มและที่จบคือกรมสุขาลิกะตามที่พระองค์เทศในธรรมจักกปวตามที่พระองค์เทศในธรรมจักกปวัตตนสูตรไม่ใช่ดับจิตทั้งจิตให้หมดความรับรู้ทุกธาตุรู้ ความเป็นดํามืดอยู่และแถมจมอยู่ในผวังเท่านั้นเสียอีกแล้วเรียกว่าเป็นผลบรรลุนิโรธไม่ใช่ดับเวทนาทั้งเวทนาไม่ให้รับรู้ความรู้สึกไม่ให้รับความรู้สึกไปทั้งหมดทุกข์ไม่ใช่ดับเวทนาทั้งเวทนาไม่ให้รับความรู้สึกไปทั้งหมดทุกเวทนาแล้วเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธ นับเป็นผลบรรลุนิโรธไม่ใช่ดับสัญญาทั้งสัญญาไม่ให้กำหนดรู้ไปทั้งหมดทุกสัญญาแล้วเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธนับเป็นผลบรรลุนิโรธดับกามซึ่งเป็นเหตุอริยสัตตังหากแล้วดับขณะที่มีกามาวจรแล้วดับขณะที่มีกามาวจรกะคือ ในสภาพที่แล้วดับขณะที่มีกามาวจรกะคือในสภาพมีวานรห้าสัมผัสเป็นอยู่หลัดหลัดแล้วดับขณะที่มีกามาวจรกะคือในสภาพมีวานรห้าสัมผัสเป็นอยู่เป็นไปอยู่หลัดหลัดแล้วดับขณะที่มีกา แล้วดับขณะที่มีกามาวาจรกะคือในสภาพมีทวารห้าสัมผัสเป็นไปอยู่หลัๆและเมื่อดับกามได้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปในขณะสัมผัสทวารห้าภายนอกอยู่เหมือนปฏิบัติดับกามนั่นแหละแต่ตอนนี้มากํำหนดรู้อัตตาซึ่งเป็นอัตตายาบในใจยังมีกิเลสอัตตาเป็นอาตาัตถทัสุขในวงเล็บความสุขในอัตตา และอตตกิลมัะซึ่งเป็นความลำบากในใจที่มีอัตตาอัตตกิลมัะบรรดาท่านผู้รู้แปลไว้ว่าการทรมานตนนั่นแหละซึ่งอตมาเข้าใจคําแปลนี้อันหมายถึงเบื้องต้นที่ยังเป็นโลกเยาภูมิยี่งเดียวกับที่ท่านให้ความหมายของศีลว่าสํารวมกายสํารวมวจัจีนั่นเอง ที่ยังเป็นแค่โลกีภูมิซึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้นก่อนอยู่แล้วแต่ในสัจจะขั้นโลกุตระภูมิก็ต้องสาธยายกันเป็นปรมาท ธ, ธรรมที่สมาธิฏฐิเข้าขั้นโลกุตระภูมิและที่จริงนั้นก็พูดมาตลอดเวลาแล้วว่าธรรมะของพุทธนั้นเป็นโลกุตระไม่ใช่แค่โลกียะถ้าแค่โลกีภูมิศา ส, สนาไหนๆก็สอนกันอยู่แล้วมากมายทั่วไป สำหรับพุทธนั้นก็แบบของพุทธมีเอกลักษณ์ของตนที่เป็นโลกุตระสัจจะซึ่งอยู่ในฐานะมีคุณวิเศษในวงเล็บอุตริมนุ ษ, ษธรรมอยู่ศาสนาเดียวไม่เหมือนใครซึ่งอาตมามั่นใจในจุดนี้ก็ขออนุญาตอาตมาสาธยายแบบนี้ ก็ขออนุญาตอาตมาสาธยายแบบนี้เถิดผู้สนใจแบบที่ไม่เป็นอย่างที่อาตมาสาธยายก็มีออกถมถือเลือกได้ตามประสงค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะเห็นว่าแบบอาตมาน่าสนใจก็เป็นอิสระของแต่ละท่าน <c oughs> ก็เป็นอิสระของแต่ละท่านจะเลือกเอาได้อาตมาก็ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งในหลายๆแบบก็แล้วกันนะ เอาละมาอธิบายกันต่อไปกิเลสของคนผู้อวิชชาเบื้องต้นตั้งแต่ขั้นหยาบไม่ใช่จะมีแต่กามาสุขเท่านั้นกิเลสอัตตาขั้นหยาบก็มีซับซ้อนอยู่ด้วยดังนั้นจึงต้องเรียนรู้อัตตาทัศนสุขด้วยเพราะมันเป็นทุกข์เป็นสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยแตกต่างกันซึ่งในกิเลสขั้นกามก็คือกิเลสที่เกี่ยวกับรสสุข ที่ได้สัมผัสเสียดสีกับส่วนภายนอกแล้วเกิดเสพรถนั้นก็เป็นกามคุณห้าเป็นกามาสุขลิกะสุขเสพรสส่ว น, วนอัต ถ, ถัะถสุขนั้นมันเป็นกิเลสในความเป็นอัตตาซึ่งก็มีกิเลสเกี่ยวกับลาบยศสันเซิญและสุขที่เป็นอัตตาอยู่แท้หยาบรุนแรงเลวร้ายเป็นได้เยี่ยงเดียวกัน แค่เหตุปัจจัยเท่านั้นที่ต่างกันและอัตตะทัตตสุขนั้นและอัตตะทัตตะสุขนี้มันเป็นการได้มาเป็นของตนในวงเล็บอัตนิยะแล้วเป็นสุขคือการได้ลาบวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองได้ยศอำนาจสักตาแหน่งได้สัรเสริญเยินยอยอกย่องได้วิมาน หรือจินตนาการที่คนอื่นเสกสรร์ปั้นขึ้นมาหรือตนเสกสรรปั้นขึ้นมาเองเมื่อมันเป็นรสสุขมันก็เป็นอัตถทธัศสุขและถ้าไม่ได้มาให้แก่ตนสมใจก็ทุกหรือมันเสื่อมไปก็ทุกซึ่งเป็นโรคซึ่งเป็นโลเโลกียรสอยู่แท้เป็นสุขเป็นทุกข์นี่คืออัตรทธัศสุขในวงเล็บความสุขในอัตตา มันยังเป็นโลกีส่วนอั ต, ตกิลมะัะในวงเล็บความลำบากในอั ต, ตานั้นมันเป็นรสที่จัดอยู่ในภูมิโลกุตระเป็นรสทุกข์ไม่ใช่รสสุขผู้มีภูมิอนาคามีขึ้นไปจะเห็นอย่างเป็นจริงได้ในวงเล็บจบฉบับที่291 ตมากำลังอธิบายถึงเรื่องของรสสุขซึ่งเป็นเรื่องลึกล้าสำคัญสูงสุดทีเดียวที่ยากมากที่จะทำความเข้าใจว่าเป็นของเทศในองเล็บอริกะสุขอริกะคือสุขเทจในองเล็บสุขบวกอริกะสุขเป็นภาวะคู่กับทุกแท้แท้ถ้ายังมีสุขอยู่ก็ยังมีทุกอยู่ สุขโลกิยานี่แหละที่อธิบายยากมากที่จะทำให้คนเข้าใจเห็นจริงว่ามันเป็นความเท็จความไม่จริงการโกหกตามคำบาลีที่ว่าอะลิกะเยี๋วว่าไปถึงขั้นอตมาจะสาธยายสภาวธรรมขั้นปรรมัตินี้ว่ามันเป็นเท็จเลยแค่พญชนะที่ว่าอะลิกะนี้ แม้แต่อัตมาแยกคำแม้แต่อัตมาแยกสับเป็นสุกกับอริกะท่านผู้รู้ก็ว่าอัตมาแยกสับนอกรีดแล้วไม่เป็นไปตามที่ท่านเรียนรู้กันมาอัตมาก็เข้าใจความในความจริงนี้แต่ก็จำนวนที่อัตมาเห็นแตกต่างซึ่งอัตมาก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆที่ต้องขัดขืนและขอยืนยันว่า อาตมาไม่ได้ดื้อรั้นดันทุรงังอาตมาไม่ได้ดื้อดันทุรังอะไรอาตมาไม่ได้ดื้อดันทุรังอะไรอาตมามีสภาวธรรมอย่างนี้จรงิงๆและเชื่อมั่นในความจริงนี้อย่างยิ่งด้วยและเชื่อมั่นในความจริงนี้อย่างยิ่งด้วยเพราะอาตมาปฏิบัติธรรมมาจรงิง แล้วอาตมาก็เกิดผลตามความจริงนี้กระทั่งมีความจริงของปรัมัทธธรรมนี้ในตนและอาตมาก็ตรวจสอบตามและอาตมาก็ตรวจสอบตามหลักฐานที่มีพระไตรปิฎกและอาตมาก็ตรวจสอบตามหลักฐานที่มีพระไตรปิฎก จึงยิ่งมั่นใจว่าอาตมาไม่ได้ผิดเพี้ยนไปไม่ได้ออกนอกรีดเพราะตรงตามที่มีตรัสไว้ในพระไตรปิฎกและพระไตรปิฎกที่ใช้ตรวจสอบนี้ก็เป็นฉบับเดียวกันกับพุทธกระแสหลักท่านใช้เหมือนกันเพียงแต่มีบาง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 อันเป็นความจริงขั้นที่เห็นแตกต่างกันไปคนละรอบคนละมิติเท่านั้นเพราะบาลีบางคำบางความมีหลายแง่หลายเชิงก็มีและที่แตกต่างกันไปคนละขั้วก็มีซึ่งเป็นแง่ที่หมุนรอบเชิงซ้อนขึ้นไปเป็นขั้นโลกุตรธรรมความหมายที่เป็นภาวะหมุนรอบเชิงซ้อนในองเล็บคำเพียราวพาโส ในวงเล็บคำเพียราวะพาสะนี้แหละที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายกับอาตมาจะมีความเห็นต่างกันบางเรื่องกลับไปคนละขั้วเลยซึ่งอาตมาก็เห็นจริงได้ว่าเช่นท่านแปลคำอปุญญาพิสังขารว่าการปรุงแต่งที่ไม่เป็นบุญจึงเป็นบาปอย่างนี้เป็นต้น มันต้องเป็นเช่นนั้นตามภูมิของผู้รู้ที่รู้และแสดงออกตามภูมิหรือที่ท่านเห็นว่าธรรมมาสมาเอ๊ะหรือที่ท่านเห็นว่าสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าหรือที่ท่านเห็นว่าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการนั่งหลับตาตัดความรับรู้ภายนอกเข้าไปรู้เพียงในภายในอยู่ในผวางเท่านั้นแล้วก็ ทำให้จิตอยู่ในภาวะไรนิวรห้าให้ได้แล้วเรียกภาวะนี้ว่าสมาธิและหลงว่านี่คือสัมมาสมาธิตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาด้วยสมาธิอย่างที่ว่านี้อาตมาก็เข้าใจและทําเป็นทําได้ซึ่งไม่เหมือนสัมมาสมาธิของพุทธทั้งวิธีปฏิบัติและผลที่ได้สมาธิ ที่ไม่ใช่พุธนั้นปฏิบัติโดยหลับตาเข้าไปในปฏิบัติโดยหลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ในภายในจิตสมาธิที่ไม่ใช่พุธนั้นปฏิบัติโดยหลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ในภายในจิตคือในผวังในองเล็บอยู่ในองค์ของภพแล้วทำให้นิวรห้าหมดไปไม่มีในจิตให้ได้ซึ่งวิธีนี้ก็ทาได้ แต่เป็นกันทําได้เฉพาะขณะทําแต่เป็นกันทําได้เฉพาะขณะกระทํานั้นเท่านั้นมีหลากหลายวิธีมากมายแงยม่มุมที่ทําให้เกิดการระงับดับมีหลากหลายวิธีมากมายแง่มุมที่ทําให้เกิดการระงับนิวรณ์ห้าได้นี้คือสมาธิที่ไม่ใช่พุทธนี้คือสมาธิที่ไม่ใช่แบบพุทธ เข้าใจกันเป็นสามัญทํากันอยู่ทั่วไปในโลกเป้าหมายที่เหมือนกันทําฌานก็ดีสมาธิก็ดีทั้งแบบที่ไม่ใช่พุทธทั้งแบบพุทธคือทําให้นิวรณ์หไม่มีในจิตในหลักธรรมของสัตววาด9และวิญญาณทีติ7จข้อ2ที่มีว่ากายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันความว่าสัญญาอย่างเดียวกันนั่นแหละคือ ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดรู้หมายว่าจะต้องทำให้ใจไม่มีนิวร5ก็เป็นการกำหนดรู้หมายอย่างเดียวกันกับอย่างเดียวกันทั้งแบบพุทธและที่ไม่ใช่แบบพุทธแม้ผลสาเร็จของแบบพุทธกับไม่ใช่แม้ผลสาเร็จของแบบพุทธกับแบบไม่ใช่พุทธจะสำเร็จไม่มีนิวรณ์ในจิตตามสัญญาในวงเล็บ การกำหนดหมายรู้อย่างเดียวกันแต่องค์ประชุมในองเล็บความเป็นกายของรูปนามอันมีขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ผู้บรรลุทั้งสองแบบนั้นจะมีภาวะแตกต่างกันซึ่งทั้งสองซึ่งทั้งรูปที่ได้ ก็มีภาวะต่างกันเวทนาที่ได้ก็มีภาวะต่างกันสัญญาเท่านั้นที่มีภาวะอย่างเดียวกันสังขารที่ได้ก็มีภาวะต่างกันวิญญาณที่ได้ก็มีภาวะต่างกันดังนั้นเมื่อรวมทุกขันเข้าแล้วเป็นองรวมหรือเป็นองประชุมหรือเป็นองประกอบของขันหะทั้งห้าคือกายที่ได้นั้นส่วนนี้แหละจะแตกต่างกัน แบบที่ไม่ใช่พุทธจะได้องรวมในองเล็บกายเป็นอย่างหนึ่งแตกต่างกันแบบพุทธก็จะได้องรวมในองเล็บกายเป็นอีกอย่างหนึ่งขยายความกันดูให้ละเอียดอีกทีว่าองรวมหรือองประกอบของขันห้าก็ดีของรูปกับนามก็ดีเป็นอย่างไรกันแท้ ในขัน5้านั้นมีสัญญาเท่านั้นที่ไม่ต่างกันเพราะกำหนดหมายอย่างเดียวกันคือหมายว่าทำใจในใจไม่ให้มีนิวรณ์5สัญญาก็คืออาการของใจนี่แหละที่มันทำงานทำหน้าที่การกำหนดหมายรู้ว่ารู้แล้วว่าเราทำได้ สัญญาก็คืออาการของใจนี่แหละที่มันทำงานทำหน้าที่การการกำหนดหมายรู้แล้วว่าเราได้ทำใจในใจในวงเล็บมณสิกรติของเราจนภาวะในใจของเราในขณะนั้นก็ได้ทำให้นิวรห้าไม่มีใ น, ในใจได้แล้วซึ่งอันนี้อย่างเดียวกันแล้วทีนี้ในขณะที่ใจ ไม่มีลีลากิริยาของนิวร์ห้าปรากฏอาการในใจบัดนั้นแล้วนั่นเองเหตุปัจจัยต่างๆคือคันอื่นๆที่มีร่วมรวมกันเป็นองค์ประกอบในองเล็บกายกันอยู่ของตนในของตนในตนขณะนั้นสำหรับการปฏิบัติแบบสำหรับการปฏิบัติตามแบบพุทธก็จะได้องค์ประชุม ที่เรียกว่ากายเป็นอย่างหนึ่งส่วนการปฏิบัติตามแบบที่ไม่ใช่พุทธก็จะได้องคประชุมที่เรียกว่ากายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือได้ภาวะองค์รวมต่างกันมาทำความชัดเจนในความเป็นกายที่หมายถึงองค์รวมองค์ประกอบองค์ประชุมของหันห้าหรือแท้ๆก็คือหมวดแห่งเจตสิกกรรม อันมีเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นเองซึ่งเป็นหมูของนามชัดๆเรามาไล่เรียงขันห้าไปทีละขันรูปคือภาวะที่มีอยู่นั้นๆภาษาว่ามีรูปในวงเล็บรู ป, ปีเช่นมีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นร้อนอ่อนแข็งในวงเล็บ ภาพเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี้แหละเป็นภาวะที่จะให้คนผู้มีทวารห้าเมื่อสัมผัสแล้วรู้ภาวะนั้นได้เมื่อยังไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องมันมันก็เป็นรูปานิคือเป็นภาวะที่มันมีมันเป็นอยู่ของมันทั้งหลายอย่างนั้นทีนี้มีรูปในวงเล็บรูปีและมีคนผู้มี และมีคนผู้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีองค์ประกอบทั้งหลายตั้งแต่อวัยะวะภายนอกซึ่งจะต้องมีจิตรวมอยู่ด้วยเสมอเป็นสำคัญจึงจะชื่อว่ากายอย่าก็ใจอยา่าเข้าใจผิดว่ากายคือร่างกายนอกเท่านั้นที่มีเกี่ยวกับจิตเลยชีนะนั่นมิจฉาทิฏฐิแท้ ท, ทีเดียวเพราะกายหมายเอา กลุ่มของใจภายในเป็นสำคัญใจที่เกี่ยวกับภายนอกที่เรียกว่ากายโดยเฉพาะที่เป็นหมวดหมู่ของเจตสิกแท้คือคือองค์ประกอบของเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เน้นที่ภายนอกแต่เน้นภายในนี่แหละคือกายศึกษากันให้สัมมาทิฏฐิเถิดคนไทยเอาควาว่ากายที่เป็นภาษาบาลีมาใช้จนผิดเพี้ยนแล้ว ไปหมายถึงแค่ร่างภายนอกไม่เกี่ยวกับใจเลยว่ า, วาไม่เกี่ยวกับใจเลยว่าคือกายนี่แหละคือประเด็นที่อาตมาเห็นว่าเป็นความเสียหายของพุทธธรรมอย่างมากที่ทำให้ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ไม่บรรลุมรรคผลเมื่อมีรูปภายนอกคือภาวะที่มีอยู่ภายนอกนั้นๆภาษาว่ามีรูปในงเล็บรูปี เช่นมีภาวะมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าอวัยวะห้าของเราได้สัมผัสภาวะนั้นเข้าจิตของผู้นั้นจึงจะรู้ในวงเล็บชาโตจึงจะเห็นในวงเล็บปัสะโตภาวะทั้งหลายที่ถูกรู้จึงรู้เห็นตามที่มีจริงเป็นจริงนั้นๆในวงเล็บรู ป, ปานิจะเห็นภาวะของวิญญาณที่เป็นสัตว์นรก หรือเทวดากันได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติโดยมีสัมผัสภา ย, ภายนอกอย่างนี้เมื่อมีสัมผัสแล้ววิญญาณสัตว์รกวิญญาณเทวดาจึงจะเกิดเป็นภาวะจริงให้เห็นได้หลัดหลัดทนโทษด้วย อ, อธิปัญญาศิกขากันจริงๆ พระองค์ไม่เคยทรงสอนให้เข้าไปเห็นไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เทวดาที่เห็นกันขณะหลับตาเข้าสมาธิในภวังในภายในภวังโดยไม่มีภายนอกแล้วก็เห็นสัตว์นรกหรือเห็นเทวดากันแบบนั้นเลยมีแต่อาจารย์ที่สอนนอกรีดพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พากันสอนให้ผิดเพี้ยนจากพุทธไป พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ศึกษาอย่างนั้นเลยแต่ทุกวันนี้สอนกันอยู่ทั่วไปตรวจสอบจากพระไตรปิฎกกันให้ดีๆเถิดกำหนดหมายความเป็นภาวะจริงของวิญญาณกันให้ชัดๆการเห็นวิญญาณที่เป็นภาวะจริงนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้เห็นกันในการมภพ มีตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้รับสัมผัสอยู่พร้อมจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยอธิปัญญาสิกขาที่ส ม, มาทิฐิเพราะสัตว์นรกและสัตวเทวดานั้นคือสัตว์ในกามาภพนรกที่เป็นอบายนั้นอยู่ในกามาภพเทวดาก็เทวดาในกาวในกามาวจรซึ่งจะเห็นสัตว์ที่มีกามคุณห้านี่แหละของแท้ จึงต้องประกอบไปด้วยภาวะจริงที่มีหูจมูกลิ้นภายนอกภาวะจริงที่มีตาหูจมูกลิ้นกายนอกสัมผัสแล้วเกิดวิญญาณที่เกิดแล้วเกิดวิญญาณที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกให้เห็นส่วนผู้ที่เห็นอะไรต่ออะไรในภวัง ในภายในไม่มีสัมผัสภายนอกนั้นก็เป็นแค่ภาวะปรากฏขึ้นด้วยสัญญาภายในจิตซึ่งเป็นภาวะกําหนดหมายได้จากความจำหรือเป็นความจำได้จากภาวะที่เคยผ่านมาในอดีตจริงบ้างหรือไม่ก็เป็นภาวะที่กําหนดหมายสร้างขึ้นมาเองแท้ๆโดยหลงว่าเป็นสิ่งที่เคยผ่านจากอดีตบ้างหรือเป็นของใหม่ที่จงใจปั้นขึ้นสร้างเอง เป็นภาวะที่ยังไม่เกิดยังเป็นอนาคตอาจจะเกิดได้ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นภาวะของสัญญาเท่านั้นทั้งนั้นไม่ใช่วิญญาณแต่อย่างใดเลยถ้าเป็นปัจจุบันสัญญาก็จะทำหน้าที่กำหนดรู้ได้แต่อดีตกับอนาคตวิญญาณนั้นจะเกิดเมื่อมีปัจจุบันกล่าวคือมีกามรมาวจรภายนอก ตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสภายนอกในวงเล็บผูฏฐะเมื่อมีสัมผัสจากภาษาทรูปกับโค จ, จ า, ร า, ารูปกับโคจารจรากภาษาทรูปเมื่อมีสัมผัสจากภาษาทรูปกับโคจรรูปจึงจะเกิดวิญญาณแล้วสัญญาจึงจะกำหนดหมายจึงจะเกิดวิญญาณ แล้วสัญญาจึงจะกําหนดภายในรู้จักวิญญาณอันเป็นกายวิญญาณจึงจะเกิดวิญญาณแล้วสัญญาจึงจะกําหนดภายในรู้จักวิญญาณอันเป็นกายวิญญาณอีกทีกายยวิญญาณนั้นคือความรู้ในองค์ประกอบของรูปและนามซึ่งมีตาอันประกอบด้วยประสาทในวงเล็บภาษาธรูป เมื่อได้กระทบสัมผัสกับรูปหรือภาพเข้าในองเล็บโคจรรูปหรือหรือวิสัยรูปจึงจะเกิดวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณอันมีตาเป็นเหตุและมีรูปหรือภาวะกระทบทางตาในองเล็บภาพเป็นปัจจัยสัมผัสกันเข้าจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดมาได้ ต้องมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่เกิดที่ไหนๆ ห, หรือล่องลอยอยู่ในภพในแดนใดๆเปน็นอันขาดทำการศึกษากันให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสบริภาทภิกษุสาติผู้ไม่เข้าใจวิญญาณผิดเพี้ยนไปมียืนยันในพระไตรปิฎกเรื่มส2บสองข้อ440สส ถ, ถึง443พระพุทธวจนะคือ วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มีวิญญาณไม่มีที่ไหนไหนมีที่คนเป็นนี้นอกจากจะเกิดเมื่อมีปัจจัยนอกจากจะเกิดเมื่อมีปัจจัยประชุมกันพร้อมด้วยรูปและนามในวงเล็บกายเช่นมีตาในวงเล็บคือประสาทรูปกับรูป แนวงเล็บคือโคจรรูปและมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนุิการแนวงเล็บคือนามหาเป็นปัจจัยในการประชุมกันเมื่อสัมผัสกันพร้อมรูปกับนามเข้าก็จะเกิดวิญญาณชื่อว่าจักขวิญญาณเป็นต้นโสตวิญญาณแนวงเล็บความรู้ได้จากหูสัมผัสเสียงก็ในยะเยี่ยงเดียวกัน เกิดขึ้นเพราะมีหูกับเสียงสัมผัสกันเข้าจึงเกิดวิญญาณทางหูคาณวิญญาณในวงเล็บความรู้ได้จากจมูกสัมผัสกลิ่นก็ดีชิวหาวิญญาณในวงเล็บความรู้ในจากลิ้นสัมผัสรสก็ดีมโนวิญญาณในวงเล็บความรู้ได้จากกายสัมผัสกายภายนอกสัมผัสใจ ก็ดีในยะเยี่ยงเดียวกันเกิดขึ้นเพราะมีภาษาปราษาทห5กับโคจรหสัมผัสกันจึงจะเกิดวิญญาณตามปัจจัยแต่ละทวาร น, นั้นๆถ้ามีแต่รูปไม่มีนามเช่นตาไม่มีประสาทในวงเล็บไม่มีภาษาทะรูปหรือมีประสาท แประสาทไม่มีความรู้สึกในองเล็บไม่มีโคจระหรือไม่มีวิสัยแม้จะสัมผัสกันอย่างไรก็ไม่เกิดวิญญาณหรือมีแต่หูไม่มีนามทุกคู่ของประสาทรูปกับโคจรารูปก็ล้วนไม่เกิดวิญญาณเยี่ยงเดียวกันดังนั้นเมื่อสัมผัสใดเกิดวิญญาณในวิญญาณของคนทุกคนที่มีเวทนาในองเล็บ ซึ่งจะเกิดเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้หรือไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆก็ได้มีสัญญาในวงเล็บอวิชาก็จะกำหนดหมายไปตามตัญหาหรืออุปทานที่ตนมีมีเจตนาในวงเล็บถ้าอาวิชาก็จะมุ่งหมายไปตามตัญหาหรืออุปทานถ้าผู้ใดที่อวิชาใจในใจในวงเล็บมนุสย ก็จะมีการสังขารไปตามอํานาจของกิเลสจึงเป็นการทําใจในใจที่ไม่สามารถจัดการกับใจตนด้วยวิชาได้เรียกว่าอโยนิโสมณสิกานแต่ถ้าผู้ใดมีวิชาในวงเล็บตามฐานะแห่งบารมีของแต่ละคนผู้นั้นก็จะทําใจในใจในวงเล็บมณสิกโรติด้วยอภิสังขารในวงเล็บ ก, การจัดการกับใจตนตามวิชาเท่าที่ตนมี ตามอำนาจของภูมิธรรมแต่ละคนจึงเป็นการทำใจในใจในองเล็บมนสิการที่สามารถจัดการกับใจตนด้วยวิชาเรียกว่าโยนิโสมนสิการไปตามฐานะแต่ละขั้นเป็นลาดับลาดับนี่คือความเป็นวิญญาณที่ศาสนาพุทธเรียนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ทุกวันนี้พุทธศา ส, สนาในเมืองไทย มีความเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นอย่างที่พิกษุสาติเข้าใจกันแทบทั้งนั้นเชื่อวิญญาณคือตัวตนลอยในอากาศพุทธกระแสหลักที่มีอิทธิพลสูงยิ่งต่อความเชื่อในประเทศไทยแม้นักปฏิบัติธรรมแม้นักปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานก็ล้วนเข้าใจกันว่าวิญญาณคือสิ่งที่ล่องลอยออกจากร่างของเรา วิญญาณนอกตัวเมื่อเราตายไปเท่านั้นไม่มาเห็นความสาคัญในความเป็นวิญญาณในตนที่มันเกิดในปัจจุบันขณะทุกสัมผัสของรูปกับนามอันเรามีเราเป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แล้วเห็นวิญญาณตัวนี้และผู้เป็นพุทธจะต้องมีความรู้จัดการปรับปรุงในวงเล็บอภิสังขารวิญญาณของตนนี้ให้มันพัฒนาการ และผู้เป็นพุทธจะต้องมีความรู้จัดการปรับปรุงในวงเล็บอภิสังขารวิญญาณของตนนี้ให้มันพัฒนาขึ้นให้ได้ตามความรู้ทางศาสนาพุทธที่มีทฤษฎีอันวิเศษเป็นปรมาธัจจะแต่น่าเสียดายจริงๆที่พุทธกระแสหลักและชาวพุทธส่วนใหญ่มิจฉาทิฐิไม่ได้ความรู้ไม่เกิดความรู้ไม่สมมาทิฐิ ยิงไม่สามารถจัดการวิญญาณเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันเพราะไปเข้าใจว่าวิญญาณ น, นั้นคือธาตรู้ที่มันจะร่องรอยออกจาก <c oughs> ออกไปจากตัวเราเมื่อตอนตายโน้นไม่ศึกษาวิญญาณปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญที่จะเรียนรู้มากกว่านี้แทนที่เมืองไทยเมืองพุทธ จะเข้าใจกันทั่วไปในชาวพุทธไทยทั่นทั่วว่าวิญญาณนี้แหละวิญญาณนี่แหละตัวสำคัญที่คนจะต้องรู้จักให้ได้และจัดการในวงเล็บอภิสังขารกับวิญญาณของตนในปัจจุบันนี้ให้มันพัฒนาขึ้นไปให้ดีเพราะวิญญาณของคนนี้เองที่มันมโมปุปพังคมาธรรมาเป็นตัวที่เป็นเหตุหลักสาคัญ นำพาชีวิตของเราดําเนินไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแท้ที่สําคัญที่สุดของชีวิตถ้าไม่เรียนรู้เรื่องวิญญาณไม่ปฏิบัติกับวิญญาณที่บางทีก็เรียกว่าจิตบางทีก็เรียกว่ามโนน้ให้สมมาธิทฐิก็ไม่มีความเจริญจริงที่เรียกว่าอาริยะหรืออริยะหรือแม้แต่ อาระยะได้แนนอนศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่มีปรมาถ ธ, ธรรมเป็นโลกุตระที่เป็นอารยะที่แท้จริงแต่จเจริญจริงแท้เป็นสัจจะยั่งยืนไม่ได้หรอกถ้าศาสนาพุทธที่เป็นอิสระเสรียิ่งนี้ไม่มีความรู้ที่เป็นปรมาถ ธ, ธรรมไม่มีความรู้ที่เป็น ประมัตถธรรมนั้นหมายความว่าไม่สามารถเรียนรู้กันจนเห็นจริงว่าจิตวิญญาณนี่แหละสาคัญมากที่ต้องเอาใจใส่ปรับปรุงระมัดระวังพัฒนาจิตวิญญาณให้ยิ่งกว่าไปมัวพัฒนาเพียงภายนอกกันเพื่อนจนสังคมไทยที่เต็มไปด้วยมานยาแล้วหลงเรียกกันว่าเต็มไปด้วยมารยาทพยายามรเรียนรู้ ความเป็นวิญญาณให้สมาทิฏฐิกันเถิดไม่เช่นนั้นปฏิบัติธรรมไม่มีวันบรรลุผลที่เป็นสัมมาผลกันได้แน่ขอยืนยันที่พูดนี้ไม่ใช่พูดพร่อยหรือพูดวดดีหลงตัวเองอะไรหลงตัวเองอะไรไม่ใช่เกิดความกดดันในใจ <c oughs> ที่พูดนี้ ไม่ใช่พูดพล่อยหรือพูดอวดดีหลงตัวเองอะไรไม่ใช่เกิดความกดดันในใจเอ๊ยยะที่พูดนี้ไม่ใช่พูดพล่อยหรือพูดอวดดีหลงตัวเองอะไรไม่ใช่เกิดความกดดันใจแต่อย่างใดแต่เป็นความจริงใจที่ตั้งใจสำทับว่า เพราะยังมิชฉาทิฐิคำว่าวิญญาณเป็นเทวนิยมกันที่ทำให้ศาสนาพุทธเป็นไปอย่างไร้สัมมาผลที่เป็นให้เห็นอยู่ในไทยจริงผลของศาสนาที่มีสังคมจึงมีกันได้แค่ที่เห็นเห็นกันที่เห็นเห็นเป็นผลของศาสนาที่มีในสังคมจึงมีกันแค่ที่เห็นเห็นกัน ที่เห็นเห็นเป็นเป็นในทุกวันนี้อย่างที่เป็นกันอยู่จริงๆคือไม่มีมรรคผลที่เป็นสัมมาทิฐิกันเลยในพุทธกระแสหลักและในชาวพุทธทั้งหลายทั่วไปแม้แค่ความเข้าใจหรือการปฏิบัติกับความเป็นวิญญาณสังคมไทยทั้งสังคมจึงทุกข์ร้อนเต็มไปด้วยอบายมุขที่เฟื่องฟูเพราะอาวิชชา ไม่รู้ว่าอย่างไรอะไ ร, ะไรคืออบายมุกทั้งๆ ท, ที่มันเต็มไปด้วยอบายมุกกันอยู่ทุกแข น, แน ง, ทงทั้งๆที่มันเต็มไปด้วยอบายมุกกันทุกแข น, แนงพฤติกรรมคนไทยการเมืองอันคือกิจบริหารบ้านเมืองก็จมอยู่ในความล้ม ลมเหวอบายที่เหลวแหลกสิ้นดีกันเห็นเห็นเพราะคุณธรรมไม่มีไม่ใช่ไม่มีคนเก่งคนเก่งมีมากแต่ไม่มีคนมีคุณธรรมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนนับถือพุทธเเ์ซคิดดูสิแล้วมิจฉาทิถีกันอยู่อย่างนี้สังคมจะไม่เกิดผลอย่างที่เป็นกันก็ผิดไปละเพราะทุกอย่างที่เกิดย่อมมาแต่เหตุ เมื่อเหตุมิจฉาผลก็มิจฉาที่อาตมาพูดนี้ไม่ขอเถียงกับใครนะเพราะรู้ว่าแพ้เถียงไม่ได้เถียงไม่ขึ้นเถียงสู้ไม่ได้เถียงไปก็เสียเวลาเปล่าเรามาอธิบายเนื้อธรรมะกันต่อดีกว่าเรามาอธิบายเนื้อธรรมะต่อไปเรามาอธิบายเนื้อธรรมะกันต่อไปดีกว่า ได้อธิบายถึงความเป็นวิญญาณมาแล้วพอสมควรทีนี้ก็มารู้ความเป็นสัญญากันในความเป็นสัญญานั้นสัญญาจะทำหน้าที่กำหนดรู้ต่างจากวิญญาณอีกทีนี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องเข้าใจให้ดีได้อธิบายไปแล้วว่าวิญญาณจะเกิดมาให้เราได้รู้ได้เห็นในทุกผัสสะที่มี เมื่อตากระทบรูปวิญญาณก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณเมื่อมีวิญญาณเกิดขึ้นในใจสัญญาจึงจะได้ทำหน้าที่กำหนดรู้จากวิญญาณอีกทีหนึง่งพอกำหนดรู้ขึ้นมาได้ก็เป็นรู ป, ปรสัญญาในวงเล็บความรู้ได้ว่าเป็นรูปหรือภาพหรือเมื่อกำหนดรู้จากโสตวิญญาณ ก็เป็นสัทธสัญญาในองเล็บความรู d, ้ได้ว่าเป็นเสียงหรือจากคานะวิญญาณก็เป็นคันธสัญญาในวงเล็บความรู้ได้ว่าเป็นกลิ่นจากชิวหาวิญญาณก็เป็นรสวิญญาณในวงเล็บความรู้ได้ว่าเป็นรสจากกายยะวิญญาณก็เป็นโพธพัสสัญญาในวงเล็บความรู d, ้ได้ว่า เป็นสัมผัสเสียสีทางภายนอกทั้งหลายทั้งทั้งตาหูจมูกลิ้นด้วยโพธพสัญญานั้นเป็นการกำหนดรู้เป็นการกำหนดรู้จากการสัมผัสภา ย, ภายนอกทั้งหลายทั้งหมดพอมีการสัมผัสรู้หรือกาหนดรู้กันในภายในใจวิญญาณก็เปลี่ยนหน้าที่เป็นมโนคือมโนวิญญาณทำงานรับช่วงจึงเป็นความรู้ ที่ทาตรู้สึกเข้าไปข้างในขั้นปลายว่ามาโนวิญญาณกันเลยเพราะมันเป็นหน้าที่รู้ตนครบพร้อมที่สุดเต็มกรอบหมดเต็มกรอบที่เป็นอยู่ภายในขณะนั้นจึงเรียกว่ามาโนสัญญาดังนั้นเมื่อมีจุติหรือมีการเคลื่อนตัวขึ้นเมื่อใดกล่าวคือจิตที่ทรงสภาพนิ่งเราเรียกว่าธรรม หรือทำเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวขึ้นจากภาวะที่ทรงสภาพนิ่งจึงจะเกิดมีอายตนะสองขึ้นมาถ้าไม่มีการเคลื่อนของใจใจอยู่นิ่งๆกายอยู่นิ่งๆวจีอยู่นิ่งๆอายตนะก็ไม่เกิดขณะที่มีภาวะเพียงภายในใจเฉพาะเช่นนี้ไม่มีภายนอกเกี่ยวด้วยเลยจึงใช้ภาษาเรียกธาตุรู้ ขณะนี้ว่ามโนหรือมณะนะดังนั้นทารู้เมื่อถูกรู้ตัวนี้จึงเป็นมโนวิญญาณแล้วจิตไม่ต้องแบ่งส่วนใดออกมาทํางานกําหนดรู้แล้วเพราะภาวะนี้เป็นองค์รวมของทารู้ที่เกิดเต็มตัวแล้วเป็นกายวิญญาณภายในโดยเฉพาะนั่นเองเป็นสักกายะเนวงเล็บองค์ประกอบของตนองค์รวมของตน กายของตนหรือเป็นสักกะในวงเล็บของตนแท้ๆแล้ววิญญาณก็คือองค์ประกอบของเหตุปัจจัยสัญญาก็คือองค์ประกอบของเหตุปัจจัยต่างกันที่ในสำคัญถ้าใครยึดว่าเป็นตนเป็นของตนก็ยึดเอาเหตุปัจจัยด้วยโง่าท้งนั้นจริงๆนั้นวิญญาณก็ดีสัญญาก็ดีมันเกิดตามเหตุปัจจัย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่มีอะไรเกิ ด, เ ม, มม เ, กดมเมื่อไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณจะเอาอะไรมารู้มาศึกษาปฏิบัติส่วนความแตกต่างกันของวิญญาณกับสัญญานั้นก็ศึกษากันอีกนิดว่ามีอย่างไรสรุปคือวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่เกิดที่เป็นอยู่พร้อมด้วยองค์ องคประกอบหรือองค์ประชุมของภาวะต่างๆครบพร้อมตามกรอบที่กําหนดถ้ากรอบนั้นมีภายนอกอยู่ก็เป็นกามาพก็ต้องนับเอาภายนอกเป็นองค์ประกอบด้วยแต่ถ้ากรอบนั้นไม่เกี่ยวกับภายนอกไปนับเอาแต่ภายในก็เป็นกรอบภายในระดับรูปภพสัดส่วนหนึ่งถ้าระดับอารูปภพก็เล็กลงลึกเข้าไปอีกสัดส่วนหนึ่ง ส่วนสัญญานั้นทาหน้าที่กำหนดรู้นามธรรมทั้งหลายอีกทีไม่ใช่หน้าที่จะไปรู้ภายนอกได้เองต้องรู้จากสัมผัสของผธทพะซึ่งสัมผัสจากภายนอกมาให้รู้สัญญาจึงจะรู้ได้จากนามธรรมวิญญาณต่างจากสัญญาที่รู้จากภายนอกได้เองทันที ส่วนสัญญารู้ภายนอกเองไม่ได้จะต้องรู้จากวิญญาณอีกทีสัญญาเข้าไปรู้ภายในเองได้ตลอดเช่นรู้เวทนาเองได้แม้สัญญาเองก็เข้าไปรู้สัญญาของตนเองได้เข้าไปรู้เจตนาเองได้เข้าไปรู้สัมผัสเองได้เข้าไปรู้มนุิการเองได้หรือเริ่มต้นกำหนดรู้เอาจากภาษาถรรปกับโคจรรูป สัมผัสกันขึ้นเมื่อใดเกิดภาวะรูปภายในอันเกี่ยวข้องมาจากภายนอกก็เป็นวิญญาณสัญญาจึงจะเริ่มทำหน้าที่กำหนดรู้ได้ต่เมื่อมีกายวิญญาณในองเล็บถ้าไม่มีองค์ประชุมของเหตุปัจจัยวิญญาณเดียววิญญาณเดียวก็มีไม่ได้แม้มโนวิญญาณก็ต้องมีมณะกับธรรมจึงจะสามารถรู้ หรือมีรูปกายขึ้นมาเมื่อใดสัญญาจึงจะกําหนดรู้จากองค์ประชุมของรูปในองเล็บยังงงล้วว่าไม่มีนามก็กายนั่นเองที่เป็นนามในตัวอยู่แล้วเรามีสัญญาคือนามเป็นปัจจัยร่วมอยู่นะยิ่งกําหนดรู้จากองค์ประชุมของนามทั้งหลายนี่แหละ ย, ยากนามที่ถูกรู้ก็เรียกว่านามรูป คนผู้ใดถ้าสัญญาไม่ทำหน้าที่ไม่ว่ากับภายนอกหรือกับภายในคนผู้นั้นก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยในขณะนั้นขณะนั้นสัญญากับอวิญญาณ น, นั้นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งต้องศึกษาให้ชัดๆอย่าสับสนสัญญาเป็นเจตสิกกําหนดหมายรู้กันอยู่สัญญาเป็นเจตสิก กำหนดรู้สัญญาเป็นเจตสิกกำหนดหมายรู้กันอยู่ในภายในเช่นทาหน้าที่กำหนดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายความเป็นนามกายได้แก่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นแม้จะกำหนดรู้ส่วนที่เกี่ยวกับภายนอกที่เรียกว่ารู ป, ปกายก็กำหนดรู้จากวิญญาณที่เป็นตัวเกิดจากการสัมผัสแล้วเกิดวิญญาณอีกทีไม่ใช่สัญญาไปทำหน้าที่รู้มหาพุเธ ร, รูป4ในองเล็บดินน้ำไฟลมหรือโคจรูป 5. ้ในองเล็บรูปเสียงกลิ่นรส พ, ทพุทธะ เอาเองโดยตรงได้เลยดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิญญาณไปตั้งแต่ยาบกระทบภายนอกไปหาละเอียดในภายในตามลำดับจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นวิญญาณที่ต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงจะเกิดได้วิญญาณไม่มีเองหากไม่มีเหตุปัจจัยแม้ที่สุดจะเป็นธาตุรู้ภายในสุดขั้นมโนวิญญาณ ก็ต้องมีอายตนะสองคือมานายตนะกับธรรมายตนะเป็นเหตุปัจจัยกันจึงจะเกิดวิญญาณได้เดียวๆ เ, เกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดยิ่งกว่าชัดว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นความเกิดแห่งวิญญาณเว้นปัจจัยมิไดม้มีในองเล็บพระไตรปิฎกเล่มสิบสอง ข้อ240เป็นต้นไปชัดเจนนะว่าวิญญาณนั้นเป็นจิตกำหนดหมายรู้กันด้วยการสัมผัสภายนอกแล้วเกิดวิญญาณที่เป็นการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสดๆไม่ใช่ธาตุรู้ที่ล่องลอยอิสระอยู่ไหนต่อไหนแต่เป็นธาตุรู้ที่เป็นภาวะจะเกิดต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่สองภาวะมีปัจจัยเป็น เสมอตามพระพุทธวจนะไม่ใช่เห็นวิญญาณในสมาธิที่หลับตาอยู่ในภวังเท่านั้นผุดเกิดขึ้นมาอย่างอิสระไม่ใช่เกิดอย่างมีเหตุมีปัจจัยร่วมกันนั่นมันเป็นเพียงภาวะที่รู้ขั้นเรียกว่าเรียกกันว่าสัญญาที่กำหนดรู้เอาจาก ความจำในองเล็บสัญญาหรือไม่ก็ปั้นหรือเนรมิตขึ้นเองขึ้นมาเองลอยๆซึ่งไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยร่วมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันจึงเกิดเป็นวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นวิญญาณเกิดจากการสัมผัสทางตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียง ในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ161เป็นต้นโดยเฉพาะวิญญาณ น, นี่แหละที่มันเป็นผีเป็นเทวดาหลอกๆเป็นๆกันอยู่เต็มโลกถ้าสัมมาทิฐิแล้วก็จะเห็นผีเห็นเทวดากันสดๆในขณะลืมตา ม, มีชีวิตปกตินี้ทีเดียวเป็นภาวะจริงแท้ที่จะรู้แจ้งสัตว์ทางจิตวิญญาณได้ในชีวิตเป็นๆจึงจะพ้นสังโยติ พ้นความเป็นสัตว์ในสัตววาด9้าสมบูรณ์หมดครบตามวิโมก8แดที่สัมผัสด้วยกายมีกายสักขียืนยันอยู่ทนโทษหลัดหลัดปัจจุบันนี้เลยถ้าไม่มีความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่าที่สาทยายมาก็จะถูกหลอกซึ่งหลอกกันในขณะที่ภายนอกมีตาหูจมูกลิ้นที่เป็นองค์ประกอบกันอยู่นี่แหละ ก็สัมผัสเห็นเหตุคือรูปภายนอกที่มันทำให้เกิดวิญญาณผีขึ้นภายใน ใ, นใจตนเองแต่คนผู้นั้นไม่รู้แต่คนผู้นั้นไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นในความเป็นวิญญาณผีนั้นในตนเองอย่างสัมมาทิฐิแถมตกเป็นทาสผีเสียอีกจึงถูกผีนั้นหลอกตนหลอกผู้อื่นกันอยู่ทุกเมื่อ หลอกผู้อื่นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็เพราะมิจฉาทิฏฐิในความเป็นวิญญาณไปมัวงมอยู่กับแต่ไปมัวงมอยู่แต่กับวิญญาณในผวังในสมาธิที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงที่มีทวารห้าต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นองค์ประกอบกันอยู่นี่แหละ ตาก็สัมผัสเห็นเหตุคือรูปภายนอกที่ทำให้เกิดวิญญาณขึ้นภายในใจตนแล้วมันก็เป็นเทวดาหรือเป็นผีซึ่งเป็นวิญญาณในใจแท้ผู้ยังโง่ยอยังอวิชาหรือยังมิจฉาทิฐิมันก็รู้ไม่ได้มันก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันได้วิญญาณเทวดาก็หลอกกันอยู่ วิญญาณเทวดาก็หลอกคนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหูก็สัมผัสเสียงจมูกก็สัมผัสกลิ่นลิ้นก็สัมผัสรสองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดก็สัมผัสดินน้ำไฟลมอยู่มีภายนอกอยู่ครบนี่เองที่มันเกิดวิญญาณผีเกิดวิญญาณเทวดาหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นร้ายกาดนักเมื่อมีสัมผัสภ า, ภายนอกอยู่นี้แหละมันมีวิญญาณเกิดอยู่ ในจิตเราซึ่งเป็นวิญญาณผีวิญญาณเทวดาก็ใช้อธิปัญญาสิกขาอ่านรู้ในขณะที่มันมีภาวะเกิดอยู่หลา ด, ดจริงๆนี้ให้ได้จึงจะยืนยันสัจจะภาวะอยู่ทนโทษเห็นของจริงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้แจ้งรู้ผีจริงเทวดาจริงซึ่งไม่มีรูปร่าง ในวงเล็บสรีระกรอกมียานเห็นอาการมันได้เรากำหนดนิมิตที่มันมีนั้นรู้ได้ด้วยตนวิญญาณผีต่างกันกับวิญญาณเทวดาอย่างไรมันมีความต่างกันในวงเล็บลริงคะฟังที่อาตมาอธิบายสู่ฟังในวงเล็บอุเทศนี้ดีๆให้เข้าใจแล้วเอาไปฝึกศึกษาเรียนรู้วิญญาณผีวิญญาณเทวดากันให้เห็น แท้เห็นจริงในขณะที่มีสัมผัสกันอยู่ลหลัดนี้นี่ผีเทวดาแท้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการจะรู้นามรูปได้ต้องรู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อ60สไม่ใช่รู้ด้วยรูปร่างที่เป็นสรีระหรือมีโครงมีร่างมีโฉม ที่ไปหลงเห็นกันเป็นแค่สัญญาซึ่งไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่มีรูปโฉมไม่มีร่างเป็นรูปอะไรเลยแต่เห็นเป็นอาการกิริยาของจิตผีก็ไม่มีโครงผีก็ไม่มีโครงร่างวิญญาณก็ไม่มีโครงร่างที่เห็นเหมือนตากระทบ ผีก็ไม่มีโครงร่างวิญญาณก็ไม่มีโครงร่างที่เห็นเหมือนตาภายนอกกระทบรูปภายนอกที่คนเห็นเห็นกันมีก็แค่อาการไหวให้รู้ในองเล็บบิญญตัตสื่อให้รู้ได้เท่านั้นมีอาการแห่งกิริยาของนามหรือของอรูปทําความเข้าใจกันให้ชัดๆแม่นแม่นคมคมดีๆสําหรับแบบพูดนั้น รู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งที่เป็นการรู้รอบอยู่พร้อมทั้งภายนอกภายในมีดินน้ำไฟลมหรือรูปเสียงกลิ่นรสภาวะภายนอกที่จะให้สัมผัสและมีตาหูจมูกลิ้นอวัยวะที่สัมผัสภา ย, ภายนอกทั้งหลายเป็นองรวมในวงเล็บจบฉบับที่292